การนั่งสมาธิเข้าที่นั่งสมาธิภาวนาการปฏิบัติธรรมที่จะให้ถึงธรรมที่แท้จริงนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจกับธรรมะ ด้วยการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็จะไม่ได้เข้าใจในเรื่องธรรมะของพระเจ้าที่แท้จริงเป็นยังไงธรรมที่พระองค์ได้ตดรัสรู้เป็นศาสดาเอกในโลกมีความสำคัญมากอย่างไรเพียงแต่ว่าได้ยินว่า พระพุทธเจ้าตัสรู้แล้วก็ได้ยินว่ามีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นในยุคนั้นมากมายมีทั้งผู้ชายผู้หญิงนะที่นี่ในยุคปัจจุบันก็เหมือนกันนะ ก็มีพระภิกษุสามนเณรมีอบายสกุบายิกาก็มีผู้ชายผู้หญิงเหมือนขังพุทธการไม่ได้ต่างกันแต่มันจะต่างอยู่ที่เรามีความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมีความเด็ดเดี่ยวหรือไม่เด็ดเดี่ยวมันอยู่ที่ตรงนี้หละ่ะที่ ใช่จะเข้าใจในเรื่องอธรรมะเรื่องการปฏิบัติคำว่ามีความตั้งใจมีความเพียรคำสองคำนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย ก็ว่าได้ทำบายากก็ว่าได้ทำบทำบได้ง่ายแต่เราไมาคิดเอาการเวลาคิดเอาการเวลาพระอรหันต์บางรูปท่านได้ฟังธรรมครั้งเดียวก็ได้เอามาพิจารณาตาม ธรรมะที่พระพุทธองค์กำลังแสดงอยู่นั้นเมื่อจบลงไปก็ได้สำเร็จจิตเป็นพรหันต์อันนี้ทำได้ง่ายที่ทำได้ง่ายอย่างนี้เพราะว่าจิตใจมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่ง อย่างยิ่งก็คืออย่างมากก็แนะี่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าเพียงพระองค์ได้แสดงทำแต่ละคำนะคำบทตักแต่ละบทพระคาถาผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็น้อมจิตน้อมใจเข้าไปน้อมกายเข้าไปสู่ธรรมะ ที่ได้ยินอยู่ในปัจจุบันนั้นโดยเขาความกระลบจิตไม่หวั่นไหวไม่กระทบกระเทียนไปเรื่องอื่นมีแต่น้อมเอาธรรมะเข้ามาภายในใจของตนเองการที่น้อมเอาธรรมะเข้ามาในใจของตนเองนั้นนะคือ การม้อมมันจะเห็นสภาพความเป็นจริงจิตนี่ยมันจะเห็นสภาพความเป็นจริงตามที่พระพุทธ อ, องค์กําลังแสดงอยู่ก็เลยดูความเป็นจริงอที่มีอยู่ภายในจิตใจของตอนเองอภายในร่างกายของตอนเองที่มีภายใน จิตใจจิตใจเราก็เห็นสิ่งที่มันอ ม, มาทําให้จิตใจของเราเนี่ยขุนมัวเศร้าหมองเกิดเป็นคนมามีแต่เรื่องที่มีความทุกข์ถ้าเราไม่ไม่หลงกับโลกถ้าเราเอามาคิดในเรื่องธรรมแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ มีความทุกข์มากที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยความทุกข์กันเนี่ยทำให้สัตว์โลกทั้งหลายหรือมนุษย์เราทั้งหลายนี่ไม่มีใครต้องการเมื่อไม่มีความต้องการได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าล้วก็พระพุทธเจ้าก็ชี้แนวทาง ให้ออกจากความทุกข์ความทุกข์มันมีทั้งกระแสรกระแสทางจิตกระแสทางกายที่ทำให้ก่อเกิดความทุกข์ขึ้นมามเพราะฉะนั้นกายกับใจเนี่ยทำงานร่วมกันมาอมหลายพบหลายชาติแล้ว ก็ไม <gen ry> <th> uh?> ่สำเร็จความสุขเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วว่ามันไม่สำเร็จในความสุขได้ไม่ทำมันทาให้ไม่มีความพ้นทุกได้ก็เอามาน้อมพินิดพิจารณาในเวลาที่ได้ ฟังทำคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ลกล่าวว่าสังขาร น, น, นี่เป็นของไม่เที่ยงคําว่าไม่เที่ยงเนี่ยมันก็เป็นทุกข์มันเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยง คนเราก็ต้องการความเที่ยงความเที่ยงคือความเที่ยงเนี่ยคืออะไรคือความสุขทแท้จริงมเมื่อเรามีความต้องการความสุขที่แท้จริงมันก็หาแล้วหาอีกอตั้งแต่วันเกิดมาจนจะสิ้นชีวิตก็ยังไม่ได้พบความสำเร็จ ยิ่งอายุยาวยืนนานไปเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นเท่านั้นสิ่งสะสมที่จะเข้ามาสู่ภายในจิตใจร่างกายอันนี้ก็จะมากขึ้นเราลองมาพิจารณาลำเลียงชีวิตของเราตั้งแต่เราเกิดมาพอรู้เดืองสาขึ้นมานี้ เราได้พบความทุกข์มามากมายนั่นตามวัยที่เกิดขึ้นตอนที่เรายังเป็นเด็กแต่เราจำได้แล้วก็จะมาทุกข์รู้จักว่าความทุกขนะ์นมันเป็นยังไงตอนที่เป็นเด็กบางทีเรา หิวหิวน้ามหรือหิวอาหารเราก็ไม่ได้รับน้ามไม่ได้รับอาหารนื่นอย่างที่เราหิวแต่เราไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้ตามความต้องการของเรามันก็เป็นทุกข์ ความทุกข์อั น, นี้แหละเกิดขึ้นจากบุคคลทุกๆคนอืเพราะฉะนั้นคนไหนที่เคยอเลี้ยงลูกเด็กเล็กแดงอ่ะก็คงจะเข้าใจว่าอา่ความทุกข์ของลูกเป็นยังไงความทุกข์ของแม่เป็นยังไงพ่อแม่เป็นทุกข์กับลูกยังไงลูก มีความทุกข์กับพ่อแม่อย่างไรอันนี้ตอนที่ยังเป็นเด็กเราก็ไม่รู้ว่าความทุกข์ของพ่อแม่เป็นยังไงแต่พ่อแม่รู้ความทุกข์ของตนเองตลอดตั้งแต่ลูกอยู่ในคันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วทุกทุกใจกลัวว่า ลูกเกิดขึ้นมาจะไม่สมบูรณ์แต่เป็นลูกพิกลพิการบางทีก็คิดล่วงหน้าไปอย่างนี้มาคิดไปก็เริ่มเป็นทุกข์พอเกิดขึ้นมาแล้วก็ลูกจะอยู่ได้ตลอดชีวิตหรือเปล่าก็คิดไปอีกนี่คือความทุกข์ จากการเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บประจำร่างกายสังขารถัดขันเกี่ยวเนื่องไปถึงจิตใจได้รับความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละที่มาเปลีป่ยนร่างกายสังขารอันนี้นี่ก็คือความทุกข์ เมื่อแจ่ชรามาหรือยังไม่แก่บางคนก็พิคนพิการมาตั้งแต่เกิดบอกเกิดขึ้นมากับพิคนพิการเป็นภาระกับผู้ที่เป็นบิดามันดาเมื่อมีภาระอย่างนี้บิดามันดาจะไปทอดทิ้งก็ ไม่สามารถที่จะทอดทิ้งได้เพราะเป็นลูกของตนเองนี่คือความทุกข์ทุกข์เพราะมีลูกเมื่อไม่มีลูกก็ เ, เป็นทุกข์เพราะอยากได้ลูก นี่คือความทุกข์แล้วก็ทุกข์เพราะมีภรรยาทุกข์เพราะมีสามีทุกทุกอย่างหลังที่กล่าวมาแล้วนี่หาวันที่จะล่มเลิกไม่มีจนตลอดชีวิต ก็ยังเป็นห่วงอยู่จากนั้นนี่แหละความผูกพันอยู่กับความทุกข์เมื่อเรามาได้ปฏิบัติธรรมเราเอามาพิจารณาว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นทำไงเราถึงจะแก้ไขไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกได้บางคนก็คิดแล้วคิดอีก อยากจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้เมื่อเราอยากพ้นเราก็มาปฏิบัติธรรมกันถ้าเราได้มาปฏิบัติธรรมเราจะรู้จักความหลุดพ้นด้วยวิธีใดจะต้องรู้ด้วยตนเอง ไม่ใช่ว่าให้คนอื่นมาปวดทุกข์ให้การปวดทุกข์ตนเองเนี่ก็คือเราพ้นจากอารมณ์ต่างๆที่เรากำลังปฏิบัติอยู่อย่างที่เราเคยฝึกภาวนาพุทโธนี่จิตของเราก็จะอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่กับโปรหายใจเข้าออก จิตก็จะเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลา mm. เมื่อจิตเป็นหนึ่ง mm. ไม่มีอารมณ์อย่างอื่นเข้ามา mm. แทรกแซงในจิตใจของเราจิตใจของเราก็ไม่ได้สายออกไปหาสิ่งภายนอก mm. จิตเียบสงบคำว่าไม่ออกไปภายนอกคือไม่ได้คิดไป ทางนั้นทางนี้อย่างนี้แล้วก็จิตก็จะนิ่งอยู่มีสติอยู่มีความรู้สึกจดจ่ออยู่ที่ใดที่หนึ่งในร่างกายของเราถ้าเราเคยภาวนาเคยฝึกจน มันเป็นนิสัยอย่างที่เราเคยจดจ้องดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกของตนเองเจ็ดก็จะรวมอยู่ที่นั่นเมื่อรวมอยู่ที่นั่นไปนานเข้าไปความรู้ก็จะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจริงๆแล้ว ความรู้สึกตัวนี้ความรู้ตัวนี้ไม่ได้อยู่ที่ปลายจมูกปกติแล้วถ้าเราเพียงจดจ้องดูแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็จะรู้สัมผัสอยู่ที่ปลายจมูกของเราที่ช่องจมูกของเราแต่ถ้าจิตของเราสงบ จนสู์หายลมหายใจสูน์หายไปหมดแล้วจิตก็จะรวมอยู่ที่ตรงหน้า อ, อกอยู่ที่ตรงหน้า อ, อกของเรานะเหมือนกับอยู่ลึกๆภายในภายในก็คือภายในร่างกายของเราอดูภายในก็โครงร่างข้างในเหมือนอย่างหัวใจที่เรามีอยู่ข้างในเนี่ย หัวใจเป็นกําลังใหญ่ที่ทำงานเข้าทำให้ร่างกายสังขารทุกส่วนอยู่ได้ก็เพราะหัวใจแต่ก็ยังอาศัยลมอาศัยถาดดินถาดนา้ำถาดไฟ ช่วยประคับประคองกันให้พอดับพอดีเมื่อมีความพอดีก็เหมือนกับบ้านเราไม่หนาวมากไม่ร้อนมากมีความพอดีเพราะฉะนั้นความรู้สึกการภาวนาเมื่อกิจมันสงบแล้วเนะี่ยมันจะเยือกเย็น พอดีพอดีเนี่ยจิตมันรวมแล้วเนี่ยเหมือนกับเราไม่มีตัวตนไม่มีร่างกายสังขารอันดับแรกก็จะต้องว่างซะก่อนพอมันว่างแล้วมันก็จะรวมเป็นดวงขึ้นมาดวงอะไรก็คือดวงจิตของเรานี่แหละเป็นกระแส ที่โดดเด่นขึ้นมาที่นี่ถ้าเราภาวนายังไม่เข้าใจในจุดนี้มันก็จะไม่เห็นเมื่อเราไม่เห็นมันก็ยังไม่เข้าใจเมื่อมันเห็นมันก็จะเข้าใจนี่มันมีลัศมีของจิอเปรียบเทียบเหมือนกับ าทานไฟแดงๆาทานไฟแดงๆมันมีความรู้สึกว่ามันร้อนอาทานไฟแดงๆแล้วก็จะมีแสงสว่างออกมาจากไฟอันนี้จิตของอคนเราก็เหมือนกันก็จะมี แสงออกมาจากจิตแสงอันนี้ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนันก็จะเกิดแสงสว่างแต่สำหรับคนที่ประพฤติชั่วทำความชั่วผิดศีลผิดธรรมจิตมันก็จะมืดมันจะมืดจะดำ ถ้าเรากำหนดเข้าไปดูมันจะดำหมดภายในร่างกายของเรามันจะเมื่อดหมดมองไม่เห็นอะไรอยู่ภายในที่นี่ถ้าจิตของเราเข้าไปสู่ดวงสว่างแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเห็นภายในของเราเนี่ยแหละภายในจิตของเราเนี่แหละ ความรู้สึกมันรู้อยู่ภายในเมื่อเห็นภายในจนเกิดความชำนิชำนาญแล้วผลก็จะขยายออกมาสู่ภายนอกคำว่าสู่ภายนอกก็คือส่วนที่รอบๆแสงสว่างอยู่ภายในนั่นละ นอกเริ่มนอกออกมาอย่างที่จิตของเราสว่างอยู่อย่างที่เรี๋ยวเรามีธาตุที่เรียกว่าหัวใจของเราอยู่ภายในมันสว่างอยู่ที่หัวใจแสงสว่างนั้นก็จะสอดสองออกมาทั่วสะพางกายของเรา ที่เรารอบภายในจนถึงภายนอก เ, นเมื่อเราเห็นเหตุการณ์อย่างนี้นความปีติความอิ่มเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราศรัทธาคือความเชื่อความเคารพในพระพุทธเจ้า ความเคารพเกิดขึ้นกับธรรมะของพุทธเจ้าได้นํามาปฏิบัติเนี่ยศรัทธานี่เกิดขึ้นเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างนี้เราเห็นได้อย่างนี้เราเกิดศรัทธาขึ้นเกิดความเชื่อถือเชื่อมั่นมีความอยกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ได้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างแบบอย่างได้ตัดสรูเป็นาศาสดาเอกในโลกแล้วเอามาสอนให้พวกเราได้ยินได้ฟังได้และนำไปฏปฏิบัติถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีสาวกของพพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างแบบอย่าง เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้มาพบพระพุทธศาสนาเมื่อเรามีพระพุทธเจ้ามีวาราหันตั้งหลายที่ได้บำเพ็ญภาวนาเป็นตัวอย่างเปรียบอย่างมาให้เราได้ประพฤติปฏิบัติดูในปัจจุบันเกิดความรู้สึกมีความสุข เป็นกรณีพิเศษอย่างนี้กเพราะมีพระพุทธเจ้าเพราะมีคำสอนของพระพุทธองค์แล้วก็มีพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ได้มาปฏิบัติ ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์รรมการหันตต่ผลอย่างนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามพระอรหันต์หลายรูปก็ตัดกิเลสขาดเหมือนกันตรงที่ตัดกิเลสขาดออกจากจิตใจนี่รเรียกว่า เป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดที่จะมากังวลอยู่ภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดที่จะมาโกออกวนให้จิตใจคุนมัวเศร้าหมองนี่เมื่อจิตมันเกิดความรู้อย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ย้อนเข้าไปศึกษาใหม่อยู่เรื่อย การที่เราปฏิบัติทำไม่ใช่ว่ามันจะจบทีเดียวยิ่งได้เท่าไหร่ก็ยิ่งแต่ตรองนั่นยิ่งไดเอามาพิจารณาคำว่าพิจารณาคอยจดต้องดู ส่วนที่มีอยู่ภายในจิตใจหรือร่างกายสังขารอันนี้ที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่คนได้มีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันไม่ต้องไปเอาคนอื่นเอาตัวเองก็แล้วกันทุกข์มันเกิดขึ้นกับตัวเอง เพราะอะไรแล้วทำไมมันถึงเกิดใครเป็นคนให้มันเกิดก็เราเนี่แหละเป็นคนให้มันเกิดทุกข์ทั้งหลายจะเกิดก็เราเนี่แหละก่อให้มันเกิดทุกข์เป็นต้นเหตุเมื่อมีต้นเหตุมันก็ต้องมีทุกข์เหตุ คือการกระทำที่เราได้ทาลงไปในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เรายังไปฝืนว่าสิ่งนี้ถูกต้องมันถูกใจถูกอกถูกใจดีคาว่าถูกอกถูกใจอันนี้มันถูก มันถูกใจของกิเลสตามาหลักของพระพุทธเจ้าถือว่ามันถูกใจกิเลสแต่มันไม่ถูกใจธรรมะเนี่ยเมื่อเร า, เาปฏิบัติเข้าไปถึงจุดนึงแล้วเราจะเข้าใจว่ า, าความถูกต้องไม่ถูกต้องมันต่างกันยังไงต่างอยู่ที่ว่า คนมีกิเลสมากกับมีความทุกมากโลภมากกับทุกมากโกรธมากกับทุกมากหลงมากก็ทุกมากเราละความโลภความโกรธได้ทั้งหมดมันก็พ้นทุกข์นี่คือความได้ใจตรองเอามาพิจารณาซึ่งเรียกว่าปัญญาปัญญาเกิดขึ้นรู้เหตุ รู้ผลเหตุ<ม>ที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีเหตุที่จะดับความทุกข์ได้กลายเป็นเป็นผลนี่กลายเป็นผลเหตุที่มันพ้นทุกข์ได้คือทำจิตให้ สงบเป็นสมาธิวางอารมณ์ทุกอย่างที่มีอยู่นี่คือมีสติมีปัญญาเป็นเหตุที่ให้จิตของเราให้เข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิที่มันมีเหตุอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีเหตุที่เรียกว่าความทุกข์ เรามีความทุกข์เราก็อยากจะพ้นจากทุกข์เราจากหนีจากความทุกข์ก็ค้นคว้ า, วาหาแนวทางที่จะหาทางพ้นทุกข์อย่างที่เรามาปฏิบัติทำกันวันนี้มาฟังทำกันบมงนี้ก็ต้องการอยากจะรู้เหตุูผลอยากจะเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติ เมือ่อเรามีความต้องการอย่างนั้นก็มีความใส่ใจตั้งใจเมือ่อมีความตั้งใจใส่ใจแล้วก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติรู้แล้วว่าเหตุก่อให้เกิดความทุกข์คือกิเลสทั้งหลายเมื่อเกิดความไม่พอใจ ในกิเลสทั้งหลายเราก็หาแนวทางที่จะออกจากทุกข์ด้วยวิธีการปฏิบัติ <c oughs> การปฏิบัติของเราก็ได้ฝึกกันมาได้ศึกษากันมาไม่ใช่ว่าไม่ได้ศึกษาแต่มันไปนติดขัดอยู่ที่ตรงไหน ติดอยู่ที่ตรงที่เราไม่กล้าไม่เด็ดเดียวนี่ตรงที่มันติดถ้าเราไม่กล้าไม่เด็ดเดียวไม่ต่อสู้จริงๆก็เป็นสิ่งที่ล้อเล่นของกิริศเป็นสิ่งที่ล้อเล่นของมารทั้งหลายนี่เราอย่าให้โอกาส มารทั้งหลายนั้นอย่างนั้นเหล่านั้นเข้ามาครอบงาจิตใจอย่าให้กิเลสทั้งหลายนั้นเข้ามาครอบงําจิตใจของเราใจของเราต้องเป็นหนึ่งอย่ามีสิ่งอื่นใดเข้ามาแทรกแซงภายในจิตใจของตนเองทางที่เราวริกรรมภาวานาพุทธโธกายเป็นพุทธโธกําหนดดูลมหายใจเข้าออกกา้เป็นลมหายใจเข้าออก ให้มันเป็นเอกคะาตาจิตเอกคะาตาลมที่แท้จริงคําว่าเอกขจิตเป็นหนึ่งลมก็เป็นหนึ่งรวมเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวทั้งสองอย่างนี้แล้วก็เติมคําบริกรรมเข้าไปอีกหายใจเข้าพูดหายใจออกถูกก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันเมื่อเรามาสํานึกรู้แล้วว่า คำว่าพุทธโธ ท, ทำให้จิตของเราสงบแน่นิ่งลงไปไม่มีอารมณ์อย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงนี่ก็เพราะเรามีพระพุทธเจ้าอยู่กับลมหายใจเข้าออกกลายเป็นลมอันบริสุทธิ์เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ตัดสุล ขาดอกกิเลสทั้งหลายภายในร่างกายของเราทุกส่วนในธาตุทั้งสีกันทั้งหากลายเป็นธาตุอันบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์อันนี้เกิดความกระจ่างแจ้งขึ้นมาถ้าเราจะเอามาพูดมัอนอย่างพระพุทธเจ้าแสดง ที่เรียกว่าทิพจักรุมันเป็นตาทิพย์คำว่าตาทิพย์มันเกิดขึ้นหมดภายในร่างกายของเรานี่มันจะเห็นไปหมดในร่างกายของเราเรียกว่าตาทิพย์แล้วก็ส่องออกไปข้างนอกส่งไปข้างนอก หัวอาณาจักรในโลกทั้งสามโล ก, กธาตุนี้ค่อยจะรู้ไปหมดทั้งสามโล ก, กธาตุนี้เห็นไปหมดแต่ว่าทิพยจักขุแล้วเมื่อมีทิพยจักขุ คิพัสโสตะโสตะก็คือการสัมผัสทางหูของเรานะก็สามารถที่จะรู้ได้เสียงละเอียดที่มากระทบโสตะของเราเสียงที่มากระทบ แม้แต่ความคิดความคิดความปรุงแต่งที่ดีไม่ดีของบุคคลคนใดคนหนึ่งมากระทบเราก็สามารถที่จะรู้ได้เป็นความรับที่เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเนี่ยจะรู้ความลับมันอย่างที่เราคุยกันคุยพูดคุยกันเนี่ยมันจะเป็นเสียงขึ้นมานี่เรียกว่า ที่พระโสตะทุกคนอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่าเทพเ ท, เทวดาเขามาคุยอะไรกันเขาพูดอะไรกันเขาถึงได้เป็น เ, เทพเ ท, เ ท, เทวดาและมีความสุขนะเมื่อ เราปฏิบัติยังไม่รู้ไม่เห็นมันก็ไม่ได้เข้าใจว่าททพบาจักขุเป็นยังไงเทพบาโสตะเป็นยังไงแต่ถ้าเราปฏิบัติไปจนเห็นเทวดาเหมือนอย่างพวกเรานั่งอยู่กันเต็ม อ, อยู่ในที่นี่แล้วบุคคลทุกคนที่เป็นเทพเป็นเทวดา ของเทพเทวดาเหล่านั้นจะเป็นหนึ่งเดียวเป็นเหนียวเดียวกันเหมือนอย่างที่เราได้ฟังธรรมอยู่ในขณะนี้จิตกระรวมเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันต้องการจะบันทึกไว้ภ า, ายในจิตใจของตนเองแล้วนําไปประพฤติปฏิบัตินี่เราไม่ต้องไม่ต้องไปจําเป็นจะต้องไปอ อัดเข้าไปซีดีถือว่าซีดีอยู่ภายในจิตใจของเราเนี่ยนี่แหละถ้าเราเอาไปปฏิบัติได้แล้วเนี่ยความจำอันนี้จะไม่ลืมตั้งแต่วันนี้ไปจนตลอดชีวิตนี่ถ้ามันเกิดธรรมะขึ้นมาจริงแล้วนะมันจะไม่ลืมนี่แหละ ผู้มีความตั้งใจผู้มีความเพียรที่แท้จริงอ่ะถึงจะได้พบความสำเร็จดังความปรารถนาเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายในช่วงฤดูนี้ก็จะเข้าถึงฤดูเข้าพรรษาแล้วเป็นฤดูฝน ในส่วงเขา้าวรรษาอยากจะให้ทุกๆคนเลยตั้งอยนในไตสรงคมน้อมเอาศีลคือข้อห้ามของพุทธเจ้าไปลำลึกอยู่ตลอดเวลาเพื่อความบริสุทธิ์ของตนเองถ้าเราน้อมไปทุกวัน เราก็จะไม่ได้เผอไม่ได้เผอตัวไปทำความชั่วไม่ได้เผอตัวไปทำความผิดสำนึกได้อยู่ตลอดเวลานี่คือความตั้งใจคือความเพียรที่จะต้องสร้างบารมีเพื่อให้บารมีของเราเต็มด้วยการรักษาศีล เมื่อบารมีทางรักษาศีลเต็มก็จะเป็นของคู่กันกับการภาวนาการภาวนาเนี่ยมันจะยากกว่าการรักษาศีลถ้าเราเผลอตัวเมื่อไใดก็ถูกความมืดเข้ามาครอบงำถ้าพูดถึงความมืดก็เหมือนกับที่เราอยู่ในที่มืดเราเปิดสไพยแสงสว่างอย่างนี้ มันก็จะสว่างนี่จิตของเรามีสติมีปัญญารู้อยู่ตลอดเวลาเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราเผลอเมื่มอไหร่เหมือนกับเราปิดไฟจิตของเราก็จะมืดขึ้นมาเมื่อมือดมันก็มีไม่มีปัญญาคำว่าไม่มีปัญญามันก็เหมือนกับว่า มองไม่เห็นมองไม่เห็นสิ่งที่ดีที่ชั่วมันแยกแยะออกจากกันไม่ได้นี่คือคือมองไม่เห็นก็มองไม่เห็นจิตของตนเองไงละ่ะแต่ถ้ามันสว่างแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นภายในจิตใจของตนเองมันขัดข้องอะไรอยู่ติดอะไรอยู่เมื่อเรารู้อย่างนั้นเราก็จะหาวิธีแนวทางที่คิดแก้ไข หรือปลดออกจากจิตใจของตนเองบางคนก็บอกว่ายากเมันจะไปยากทํารเหรมันไม่ได้ยากหรอกมันอยู่ที่จิตจิตของเราเนี่ยเด็ดเดี่ยวลงไปจิตของเราเป็นคนปรุงคนแต่งจิตของเราก็ต้องรู้จักปลดรูด้จักแก้ อ, อย่าไปปรุงไปแต่งมันก็หยุดเท่านั้นเองนี่แหละ ให้พากันเอาไปพิจารณาแล้วไปปฏิบัติฝึกทุกอริยบทยืนก็ฝึกเดินก็ฝึกนั่งก็ฝึกฝึกอารมณ์จิตเ น, น, นี่ยนอนอยู่ก็ฝึกเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำได้ทุกอริยบทอย่างนี้ธรรมะมันเกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วนี่มันเหมือนเรามีได้ของดีอยู่ภายในจิตใจของเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยของดีอันเนี้ยก็จะสด่องแสงส่องแสงอส่องแสงสว่างให้กับอโลกทั้งหมดภายในร่างกายของเราหรือโลกภายนอกอืไม่มีอะไรที่จะปิดบังได้อันนี้คือ ความโลกมันเกิดขึ้นส่สองไปรู้ทันต่อความมืดความมืดที่มาปิดกัน้นคือกิเลสทั้งหลายถ้าพูดแล้วก็คือกิเลสทั้งหลายนี่แหละความโลภทั้งหลายโกดทั้งหลายหลงทั้งหลายเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่เรียกว่ามารทั้งหลาย่ ัขันมานเทธมามาลก็จะสูญหายไปโดยอตัตโนมัติเพราะจิตของเรามันไม่ได้ไปสนใจความทุกข์ยากลำบากหรอกพอได้ของดีแล้วเนะี่ยมันก็ทิ้งของไม่ดีทั้งหมดนี่เราจะได้ความสุขแบบถาววรพ้นทุกแบบท้าวรนี่คือความตั้งใจปฏิบัติ เพราะฉะนั้นในช่วงฤ ด, ดูที่จะเข้าพรรษากาากตั้งใจตั้งสัจจะสามเดือนแตมาดเราจะต้องตั้งใจปฏิบัติไม่ให้ขาดถ้ามีโอกาสเราก็พยายามที่จะปฏิบัติให้มันได้ยี่สิบสี่ชั่วโมง ถ้าอยู่ในสัจจิได้ก็ให้ปฏิบัติยีบสี่ชั่วโมงไม่ใช่ว่าอยู่ในสัจิก็ไม่ได้อยู่ด้วยสมาธิมันก็ไม่มีผลอยู่ด้อริบทันอริยบทนี่ทำให้อยู่ได้เพื่อไม่ให้ง่วงเหงาห้านอนบางทีก็กระโดดโล ด, ดเต้นไป แผนที่จะนั่งสมาธิมาดูในความสงบมีความสุขมีความตื่นมีความเบิกบานอยู่กับอารมณ์จิตของตนเองที่กําลังปฏิบัติอยู่นั้นหรือมีความพอใจอยู่ในการปฏิบัติถึงแม้ว่าเราไม่รู้ไม่เห็นอะไรแต่เราก็ยังสัมผัสอยู่กับลมหายใจเข้าออกของตนเองได้ใช้ร่างกายสังขารอันนี้นั่งอยู่ที่นี่ปฏิบัติอยู่ที่นี่ เราได้ปฏิบัติเราก็พอใจแล้วดีกว่าเราจะไปทำความชั่วนี่เราปฏิบัติอย่างนี้เราทำความดีเรามีความภูมิใจดีใหญ่กับการปฏิบัติของเราเนี่ยนี่แหละไม่ต้องไปนึกถึงการเวลาถ้าเราไปนึกถึงการเวลานี่มันเหมือนกับยาวนาน แต่ถ้าเราไม่ได้ถึงเวลาจิตของเรานิ่งอยู่จุดเดียวพอใจอยู่กับจุดเดียวก็เหมือนกับเวลามันน้อยะ응เวลามันน้อยยิง่งได้ความรู้จิตได้เป็นสมาธิเป็นอได้รับความสง บ, บได้เป็นสมาธิขึ้นมาแล้วนั่นอมีที่อยู่ของจิตได้รับแสงสว่างเกิดขึ้นจาก อำนาจของศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงให้พวกเราได้นำมาปฏิบัตินี่ก็ยิ่งมีความภูมิใจมีความตื่นอกตื่นใจจิตใจก็จะจดสดชื่นแจม่มใสเบิกบานอยู่ตลอดเวลานี่ลักษณะอย่างนี้อันนี้แหละจะทำให้เรามีปัญญา ชำระจิเลสทั้งหลายออกาภายในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วก็ให้พากันเอาไปประพฤติปฏิบัติมีความตั้งใจจริงๆเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ให้สมดังความปรารถนาทุกๆคนเถิน